พวกเราเคยคิดกันบ้างหรือเปล่าเกี่ยวกับอนาคตของร่างกายของพวกเราว่าต่อไปร่างกายของพวกเราจะต้องเป็นอย่างไรบ้างอนาคตของร่างกายของพวกเราต่อไปมันก็จะต้องแก่ต่อไปมันก็จะต้องเจ็บไข้ได้ป่วยต่อไปมันก็จะต้องตาย นี่คืออนาคตของร่างกายของพวกเราเราาจะคิดว่าเรามีเงินมีทองมีคนคอยดูร่างกายของเราเงินทองหรือคนเขาก็ดูแลได้แต่ร่างกายของเราเท่านั้นแต่จิตใจของพวกเราเขาดูแลให้ไม่ได้จิตใจของพวกเราจะเป็นอย่างไร จะเศร้าสร้อยงอยเงาหรือไม่จะเสริมเศร้าหรือไม่จะุดหงิรลำคาญใจหรือไม่จะทุกทรมานใจหรือไม่นี่เป็นเรื่องที่ไม่มีใครที่จะมาช่วยเราได้มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เท่านั้นที่จะช่วยเราได้ โดยการสอนให้พวกเรารู้จักทำใจกันให้สงบทำใจให้ฉลาดให้ปล่อยวางร่างกายถ้าเราไม่รู้จักวิธีทำใจให้สงบไม่รู้จักวิธีปล่อยวางร่างกายเวลาร่างกายแก่ร่างกายเจ็บ หรือร่างกายจะตายเราจะวุ่นวายใจกันเราจะทุกข์ทรมานใจกันเราจะงดหิรลำคาญใจเราจะเศร้าส้อยงอยเงาววาเวเราจะซส่มเศร้าแต่ถ้าเรา รู้จากวิธีทำใจให้สงบรู้จักสอนใจให้ปล่อยวางร่างกายใจของเราจะไม่มีอาการต่างๆเหล่านี้จะไม่ซึมเศร้าจะไม่เศร้าเศร้าหงอยหเหงาไม่ววาดเวไม่หงดหยิดทำคานใจไม่วุ่นวายใจไม่ทุกข์ทรมานใจ นี่แหละคือการบ้านที่พระพุทธเจ้าส่งมอบให้ไว้กับพวกเราเพราะพระพุทธเจ้ารู้ว่าต่อไปพวกเราก็จะต้องไปสอบกันไปเข้าห้องสอบกันข้อสอบของพวกเราก็คือร่างกายของพวกเราที่จะต้องแก่ลงไปที่จะต้องเจ็บไข้ได้ป่วย หน้าที่จะต้องตายไปและร่างกายของคนอื่นที่เราจะต้องพัดพาจากเขาไปนี่เป็นข้อสอบของพวกเราทุกคนจะยินดีสอบหรือไม่สอบก็ตามมันเป็นข้อสอบที่รอเราอยู่ข้างหน้าที่ไม่มีใครหลีกเลี่ยงได้ ไม่มีใครขอยกเว้นว่าเราขอยกเว้นไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายได้ไหมให้เราไปสวรรค์เลยได้ไหมพอเราจะเริ่มแก่ก็ให้เราไปสวรรค์เลยไม่ต้องมาเจอกับความแก่เจอกับความเจ็บเจอกับความตายได้ไหมไม่ต้องมาเจอกับการพลากพจากคนที่เรารักได้ไหม คำตอบก็คือไม่ได้ทุกคนมีข้อสอบที่จะต้องทำกันแล้วก็มีการบ้านให้ทำพวกเราโชคดีเรามีครูมีอาจารย์คือมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นผู้สอนให้เราทำการบ้านกันให้เราเตรียมตัวเตรียมใจกัน ไว้รับกับความแก่ความเจ็บความตายให้รับกับการพัดพากจากกันได้อย่างไม่สะทกสะทานไม่หวั่นไหวไม่มีอาการเดือดเนื้อร้อนใจไปกับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายไปกับการพัดพากจาก จากสิ่งที่เราลักจากบุคคลที่เราลักนี่แหละคืองานของพวกเราชาวพุทธพวกเราเป็นเหมือนนักเรียนเรามาเรียนหนังสือจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นครูเป็นอาจารย์ของพวกเราที่จะให้การบ้านพวกเราไปทำกัน ให้เราไปเตรียมตัวรับกับความแก่รับกับความเจ็บรับกับความตายรับกับการพลากจากกันงานแรกที่พระพุทธเจ้าให้มอบให้พวกเราทําก็คือให้เราหมั่นเตือนใจสอนใจอยู่เรื่อยๆว่าเราเกิดมาแล้ว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 ลวงพ้นการ พ, พราดลาดจากกันไปไม่ได้นี่คือการบ้านข้อที่หนึ่งที่พวกเราจะต้องมันทำกันอยู่เรื่อยๆส่งสอนให้พิจารณาอยู่เนืองๆเพื่ออะไรเพื่อไม่ให้หลงไม่ให้ลืมนั่นเองเพราะถ้าเราไม่พิจารณาพอเราเลอไปคิดเรื่องอื่น เราก็จะลืมเรื่องความแก่ความเจ็บความตายเรื่องของการพัดภาาจากกันได้แต่ถ้าเราคอยพิจารณาอยู่เรื่อยๆเราจะไม่หลงเราจะไม่ลืมเราจะรู้ว่าเรากำลังจะต้องไปเข้าห้องสอบกันนี่คือข้อที่หนึ่งต้องหมั่นพิจารณาอยู่เนืองเนือง เพื่อไม่ให้หลงไม่ให้ลืมเพื่อให้รู้ว่าเรามีข้อสอบที่เราจะต้องทำกันพอเรารู้แล้วว่าเราจะต้องไปทำข้อสอบเหล่านี้เราจะได้เตรียมตัวกันเตรียมเครื่องมือที่จะทำให้เราสอบข้อสอบเหล่านี้ผ่านทำข้อสอบได้เครื่องมือที่จะทาให้เราทาข้อสอบได้ ก็คือความสงบของใจนี่เองและการปล่อยวางของใจด้วยปัญญานี่คือสิ่งที่เราจะต้องมาทำกันทการบ้านกันทำจนเรามีความมั่นใจเวลาที่เราไปทำข้อสอบเราจะทำได้และเราก็จะได้คะแนนดีได้เกรดดี ได้รางวัลคือความสงบความสุขไม่ต้องทุกข์ไม่ต้องวุ่นวายไม่ต้องเสื่มเศร้าไปกับความแก่ความเจ็บความตายไปกับการพัดพรากจากกันถ้าเราไม่ทำก็ไม่เราก็จะทำข้อสอบไม่ได้ เวลาเจอข้อสอบเราจะตกใจเราจะหวาดกลัวเราจะทรมานใจแต่ถ้าเราทำการบ้านเตรียมไว้พร้อมสามารถรักษาใจให้สงบได้ตลอดเวลาเวลาเจอความแก่ก็เฉยได้ เจอความเจ็บไข้ได้ป่วยก็เฉยได้เจอความตายก็เฉยได้เจอการพัดพลาดจากกันก็เฉยได้ใจเราก็จะสบายใจของเราก็จะไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายกับการพัดพลาดจากกันนี่แหละคือ การบ้านที่พวกเราจะต้องทากันให้ได้ถ้าเราอยากจะทําข้อสอบให้ได้สอบได้คะแนนดีได้หลุดพ้นจากความทุกข์ของการเกิดแก่เจ็บตายของการเวียนว่ายตายเกิดเพราะถ้าเราทําข้อสอบนี้ได้เราจะไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่ มาเจ็บมาตายกันอีกต่อไปถ้าเรายังทำไม่ได้เราก็จะต้องกลับมาทำข้อสอบนี้ใหม่เราจะต้องกลับมาเกิดมาแกมาเจ็บมาตายใหม่แล้วถ้าเรามาเกิดมาแกมาเจ็บมาตายในยุคที่ไม่มีครูบาอาจารย์คือไม่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราก็จะไม่รู้วิธี ที่จะทําข้อสอบให้ผ่านได้เราก็จะกลับมาทําข้อสอบนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะได้มาพบกับครูบาอาจารย์หรือว่าเราสอนตัวเราเองให้เป็นครูบาอาจารย์ขึ้นมาเองได้ซึ่งนั่นเป็นสิ่งที่ยากยิ่งกว่าการมีครูบาอาจารย์มาสอนเรา ขะมีครูบาอาจารย์มาสอนเราเรายังทำข้อสอบกันได้บ้างไม่ได้บางบางคนก็ทำได้บางคนก็ยังทำไม่ได้นับภาษาอะไรกับการมาเป็นครูมาสอนตนเองให้ทําข้อสอบให้ได้พวกเรา เวลาที่เรามาเกิดแล้วมาได้พบกับพระพุทธพระธรรมพระสรงฆ์นี่จึงถือว่าเป็นโชคของพวกเราเป็นบุญของพวกเราที่จะได้มีโอกาสได้มีได้ร่ำเรียนจากคนที่รู้วิธีทำใจให้สงบทำใจให้ปล่อยวางร่างกายได้ ถ้าเราไม่มีไม่ได้มาเจอพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หรือมาเจอแต่ไม่สนใจก็เหมือนกับไม่ได้เจอเหมือนคนที่รู้จากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์รู้จากวัดวาอารามรู้จักพระพุทธศาสนาแต่ไม่เข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์กันเข้าหาก็เข้าไม่ถึง ตัวพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไปกข้าหาตัวแทนคือไปหาพระพุทธรูปเนี่ยพระพุทธรูปนี้ไม่ใช่ตัวพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธรูปนี้เป็นตัวแทนเป็นภาพเหมือนของพระพุทธเจ้าแต่ไม่ใช่ตัวพระพุทธเจ้าคนที่ไปวัดแล้วก็ไปกราบพระในโบสถ์ เรียกว่าไปหาตัวแทนของพระพุทธเจ้าไม่ได้ไปหาตัวพระพุทธเจ้าเพราะตัวแทนของพระพุทธเจ้าสอนเราไม่ได้ไปเรียนกับพระพุทธรูกไม่ได้ไปนั่งต่อหน้าพระพุทธลูกพระพุทธลูกก็ไม่พูดอะไรไม่สอนอะไรให้เรามเมื่อไม่สอนเราก็ไม่ได้เรียนรู้อะไร การไปหาพระพุทธรูปจึงไม่ได้เป็นการไปหาพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบอกว่าถึงแม้ตัวพระพุทธเจ้าเองจะตายไปแล้วแต่พระพุทธเจ้าก็มีตัวแทนของมีตัวที่จะทำหน้าที่แทนพระพุทธเจ้าได้ผู้ที่จะทำหน้าที่แทนพระพุทธเจ้าได้ก็มีสองแหล่งด้วยกัน คือหนึ่งคือพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเองที่ได้ส่งสอนระยะเวลาตลอดระยะเวลาส5สิห้าปีด้วยกันนับตั้งแต่วันแผ่นเดือน8สองเดือนหลังจากที่ได้ตัดรูรุในขณะที่มีพระชนชีพส5สิห้าปี 35, ส5สหพรรษาพระพุทธเจ้าส่งสอนส่งแสดงธรรมทุกวัน ทรงแสดงอยู่ถึงสี่สิบห้าปีด้วยกันจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตของพระพุทธเจ้าวันหนึ่งนี่แสดงธรรมอย่างน้อยก็สามรอบด้วยกันคือตอนบ่ายก็สอนสัธาญาติโยมตอนค่ำก็สอนภิกษุภิกษุณีสมัมเนสมสัมเณรีตอนดึกก็สอนพวกเทวดา ตอนเช้าก่อนจะออกบินตบาทก็ส่งเร่งยานดูว่าจะไปสอนใครเป็นกรณีพิเศษในวันนั้นคำสอนต่างๆของพระพุทธเจ้าที่ได้ทรงแสดงไว้นี้ได้มีการจดจำกันมาโดยพระสงฆ์ที่บวชที่มาบวชในพระพุทธศาสนาท่านมาจดจำการจดจำการท่องบน ก็เป็นวิธีปฏิบัติธรรมไปในตัวด้วยเป็นการาทานุรักษาคำสั่งคาสอนของพระพุทธเจ้าให้อยู่ต่อไปหลังจากที่พระพุทธเจ้าได้ตายจากพวกเราไปแล้วพระพุทธเจ้าทรงตัดไว้ว่าพวกเธอจะไม่ได้อยู่ปราศจากเราศาสดาเพราะว่า ผู้ที่จะมาเป็นศาสดาของพวกเธอต่อไปก็คือธรรมวินัยคำสั่งคำสอนที่เราได้ตัดไว้ชอบแล้วที่เป็นสวากาโตภกวตาธมโมที่พวกเราจดที่พระภิกษุทั้งหลายได้จดจำกันเอาไว้และได้บันทึกกันไว้ในพระไตรปิฎกตามลำดับต่อมาถ้าอยากจะศึกษา จากพระพุทธเจ้าก็ไปศึกษาจากพระไตรปิฎกได้เพราะพระไตรปิฎกเป็นที่เก็บคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ได้ทรงแสดงไว้ตลอดระยะเวลา45ปีด้วยกันมี 84,000 ธรรมบทนี่คือคำสั่งคำสอนต่างๆของพระพุทธเจ้า ที่เราสามารถที่จะศึกษาเพื่อจะได้เรียนรู้วิธีทาใจให้สงบรู้วิธีสร้างปัญญาให้เกิดขึ้นมาเพื่อจะได้ปล่อยวางร่างกายได้เพื่อจะได้ไม่ต้องมาทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายไม่ต้องมาทุกข์กับการพัดพากจากกัน แล้วก็ไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายกันอีกต่อไปนี่คือการเข้าหาพระพุทธศาสนานี่ต้องเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่าไปเข้าห า, าพระพุทธรูปหรืออย่าไปเข้าหาพระาธาตุตอ น, นช่วงนี้รู้สึกว่าจะฮิตกันไปกราบพระาธาตุกัน ได้กราบเกศาของพระพุทธเจ้ากันโดยดีดอกดีใจได้กราบพระธาตุแล้วได้อะไรกราบแล้วได้อะไรฉลาดขึ้นหรือเปล่าทำใจให้สงบได้หรือเปล่าก็เหมือนเดิมดีใจเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวก็มาเครียดกับความเจ็บไายได้ป่วยของร่างกายมาเครียดกับความแก่ เทียบกับความเป็นความตายของร่างกายอันนี้ไม่ใช่เป็นพระพุทธเจ้าเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าหรือเป็นสรีละบางส่วนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นแต่ไม่สามารถทำหน้าที่ของพระพุทธเจ้าได้หน้าที่ของพระพุทธเจ้าก็คือสั่งสอนให้พวกเรา รู้จากวิธีทำใจให้สงบกันสั่งสอนให้พวกเรารู้จักวิธีปล่อยวางร่างกายกันถ้าเรามาพบกับพระพุทธศาสนาล้วก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงกับพระพุทธศาสนาก็ต้องรู้ว่าเรา พบพระพุทธศาสนาเราก็ต้องการพบพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพราะว่าถ้าเป็นพระพุทธศาสนาจริงจะต้องมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์องค์ใดองค์หนึ่งไม่ต้องครบสามองค์ก็ได้ถ้าอยู่ในสมัยพุทธกาลก็ได้พบกับพระพุทธเจ้าได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าเลยหรือถ้าพระพุทธเจ้าจากไปแล้ว ก็ต้องฟังธรรมจากผู้ที่ได้จดจําคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าคือพระสงฆ์ต่างๆหรือศึกษาจากพระอริยสงฆ์สาวกผู้ที่ได้เรียนรู้จากพระพุทธเจ้ารู้จักวิธีทําใจให้สงบรู้จักวิธีสอนใจให้ปล่อยวางด้วยปัญญาได้แล้วเราก็ต้องเข้าหาบุคคลเหล่านี้เท่านั้น ถึงจะเรียกว่าเข้าถึงพระพุทธศาสนาเข้าถึงวัดถ้าไปวัดแล้วไปถึงโบสถ์ไปกราบพระในโบสถ์ไปกราบพระธาตุในเจดีย์ไปกราบพระธาตุพระเกษาธาตุที่ปฏิสฐานไว้ให้กราบไหว้บูชาอันนั้นยังไปยังเข้าไม่ถึงพระพุทธธรรมพระสงฆ์ เห็แค่เปลือกของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ถ้าเป็นผ ล, ลไม้ก็เป็นเปลือกยังไม่ถึงเนื้อเวลาเรากินผ ล, ลไม้เราไม่กินเปลือกกันใช่ไหมเราปอกเปลือกทิ้งเพื่อเราจะได้กินผดเนื้อของผ ล, ลไม้แต่กับพระพุทธศาสนาเรากลับชอบกินเปลือกกันแกเปลือกมากินกันเนื้อโยนทิ้งไม่เกาหาเนื้อกินเปลือก ไปหาวัตถุมงคลเนี่ยหลวงพ่อมีมีพราให้ไหมมีสายศีลให้ไหมมีน้ำมนต์ให้ไหมนี่เป็นเปลือกเท่านั้นอ่ะไม่ได้เป็นเนื้อของศาสนาเนื้อของศาสน า, าอยู่ที่คำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่ไม่ค่อยชอบกินเนื้อกันไม่ค่อยชอบฟังเทศฟังธรรมนั่น ไปวัดกันนี่ส่วนใหญ่ไปทํบาบุญใส่บาตพอพระยถาสัพพีใส่ก็กลับบ้านกันนะไม่รออยู่ฟังธรรมกันก่อนเขียว่านี่คืออาการปฏิบัติของศาสนามันก็เป็นการปฏิบัติแต่เป็นการปฏิบัติส่วนของเปลือกคือแกะเปลือกออกก็เปลือกแกะเปลือกของศาสนาออกเพื่อจะได้กินเนื้อ แต่นี่แกเปลือกเสร็จแล้วก็เอาเปลือกกลับบ้านไปเนื้อไม่เอาทิ้งเนื้อไว้ที่วัดเลยได้แต่เปลือกกลับบ้านไปไปกราบพระธาตุก็ถ่ายรูปพระธาตุกันเสร็จแล้วก็เอารูปพระธาตุกลับบ้านกันไปแล้วได้อะไรจากการไปกราบพระธาตุกับพระเกษาได้อะไรจากการไปทำบุญใส่บาท ก็ได้แต่เปลือกไปเท่านั้นเองไม่ได้เรียนรู้วิธีที่จะรักษาใจให้สงบให้ปล่อยวางยามที่จะต้องเจอกับความทุกข์ของร่างกายต่างๆทุกข์ด้วยความแก่ทุกข์ด้วยความเจ็บไข้ได้ป่วยทุกข์ด้วยความตายทุกข์ด้วยการพัดพากจากกัน าการไปกาศพระธาตุนี้ยังไม่ทำใจไม่ได้การทำบุญใส่บาตรก็ยังทำใจไม่ได้การจะทำใจได้นี่ขั้นต้นก็ต้องฟังเทศฟังธรรมก่อนศึกษาธรรมะศึกษาวิธีที่จะม า, าทำใจกันให้สงบทำใจให้ปล่อยวางก็ต้องเรียนรู้วิธี ต้องเรียนรู้ว่าทำอย่างไรถึงจะทาใจให้สงบได้ทําอย่างไรถึงจะสอนให้ใจฉลาดไม่หลงไม่ลืมได้ให้ใจรู้ว่าร่างกายนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องปล่อยวางเพราะว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราของเราเป็นของดินน้ำํำลมไฟที่เรายืมมา ผ่านทางพ่อแม่พ่อแม่เป็นผู้เอาดินน้ำลมไฟมาปั้นร่างกายอันนี้แล้วก็มอบให้กับเราให้เรายืมมาใช้แล้วเดี๋ยววันหนึ่งเจ้าของก็คือดินน้ำลมไฟก็จะมาเอาร่างกายนี้กลับคืนไปน้ำก็จะเอาส่วนน้ำไปดูดน้ำในร่างกายออกไปลมก็เอาส่วนลมไป ไฟก็เอาส่วนไฟไปที่เหลือที่เป็นดินก็ดินก็เอาเกินไปนี่คือสิ่งที่เราจะต้องมาศึกษากันมาเรียนรู้วิธีทําใจกันแต่เบื้องต้นเราต้องอย่าลืมว่าอนาคตของร่างกายของพวกเราจะต้องเป็นอย่างไรเราต้องจําได้ทุกวันอย่างน้อย วันหนึ่งเนี่ควรจะระลึกถึงความแก่ความเจ็บความตายกันบ่อยๆพระพุทธเจ้าเคยถามพระอานุนที่เป็นพระอุปัฏฐาของพระพุทธเจ้าว่าอานุนวั น, ว, นวันหนึ่งเธอระลึกถึงความแก่ความเจ็บความตายมากน้อยเพียงไรอานุ์ก็ตอบไปว่าวันละสามสี่ครั้งสี่ห้าครั้ง เช้ากลางวันเย็นก่อนนอนพระพุทธเจ้าบอกว่ายังไม่เพียงพ อ, อ, อถ้าเธอระลึกเพียงแค่นี้เธอยังหลงยังลืมได้ถ้าจะทำให้เธอไม่หลงไม่ลืมนี้เธอต้องระลึกทุกลมหายใจเข้าออกเลยเช่นหายใจเข้าแล้วก็นึกว่าถ้าไม่หายใจออกก็ตายถ้าหายใจออกแล้วไม่หายใจเข้าออ ก, ก็ตาย ให้แล้วลึกถึงทุกลมหายใจเข้าออกว่าความตายนี้มันอยู่ที่ปลายจมูกนี่อยู่ที่ลมหายใจนี่พอหยุดหายใจเมื่อไหร่ความตายก็มาทันมาถึงทันทีให้คิดอย่างนี้ไว้มันจะได้ทำให้เราไม่ประมาทนอนใจให้เรารู้ว่าความตายมันมาได้ทุกเวลานาที ไม่ใช่ว่าจะต้องแก่ก่อนถึงจะตายไม่ใช่ว่าจะต้องเจ็บไข้ได้ป่วยก่อนถึงจะตายความตายนี้บางทีมันมาก่อนความแก่ก็มีมาก่อนความเจ็บไข้ได้ป่วยก็มีเด็กคลอดออกมาจากท้องแม่ได้ไม่กี่ชั่วโมงตายไปก็มีหรือตายตั้งแต่ออกมาจากท้องแม่เลยก็มีหรืออยู่ได้เจ็ดวันแล้วตายก็มีอยู่ได้เดือนหนึ่งแล้วตายก็มี อยู่ได้ปีหนึ่งแล้วตายก็มีอยู่ได้สิบปีก็มียี่สิบปีก็มีอยู่ไปถึงร้อยปีก็มีแต่เราจะไปรู้ได้ไงว่าหวยของเราจะออกเลขไหนกันเลขเลขสิบปีหรือเลขห้าสิบปีหรือเลขเจ็ดสิบปีไม่รู้เลยเหมือนทางลอตเตอรี่เราแทไม่รู้ ไม่ร <Where i S 2> <AST> ู้เหมือนกันว่ารางวัลของเราจะออกมาเมื่อไหร่ข้าสอบของเราจะมาเมื่อไหร่เราไม่รู้กันฉะนั้นเราก็เลยต้องถือแบบพระพุทธเจ้าสอนอนุหนมาถือว่ามันอยู่ที่ลมหายใจนี่แหละว่าถ้ามันออกแล้วมันไม่เข้าก็ถือว่าตายแล้วถ้ามันเข้าแล้วมันไม่ออกก็ถือว่าตายแล้วฉะนั้นตอนที่มันยังมีลมหายใจอยู่อย่าประมาท อย่าอยู่เฉยเฉยให้รีบทำการบ้านเสียนะนี่คือข้อที่หนึ่งต้องคอยเตือนใจสอนใจอยู่เรื่อยเรื่องของความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายว่ามันจะต้องเกิดขึ้นกับร่างกายของเราอย่างแน่นอนเพียงแต่ว่าเราไม่รู้ว่ามันจะเกิดแบบไหนตอนไหนท่านเองจะเกิดแบบแก่เจ็บตายหรือจะเกิดแบบตาย ตายก่อนแก่ตายก่อนเจ็บแล้วเกิดนี่จะเกิดจากการเจ็บก่อนแล้วค่อยตายก่อนแก่มันมีหลายสูตรด้วยกันเรื่องของร่างกายของพวกเราฉะนั้นเราต้องเตรียมรับกับสูตรทุกรูปแบบทุกรูปแบบของสูตรของร่างกายมันจะมาแบบแก่เจ็บตายก็ต้องพร้อมมันจะมาแบบแก่ตายก่อนแก่ก่อนเจ็บก็ต้องพร้อม มันจะมาเจ็บก่อนแล้วค่อยมาแก่แล้วค่อยมาตายก็ต้องพร้อมเพราะไม่มีอะไรแน่นอนในเรื่องของร่างกายของเรานี้แต่สิ่งที่แน่นอนก็คือวิธีที่จะรักษาใจของเรานี้ให้มั่นคงไม่ให้หวั่นไหวไม่ให้ทุกข์ไม่ให้เดือดร้อนไปกับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายได้ถ้าเรา ทำการบ้านและเตรียมตัวทำข้อสอบให้ได้นี่คือถ้าในเบื้องต้นเราลืมความแก่ความเจ็บความตายเราก็จะไม่มีอะไรมากระตุ้นให้เราไปทำการบ้านนั่นเองอาจจะต้องรอให้เจ็บจริงๆก่อนตอนนั้นมันก็ไม่ทันแล้วนะคนเดี๋ยวนี้ต้องรอให้เจ็บไข้ได้ป่วยกันถึงมาบวชกัน ถึงมาเข้าวาัดกันมารักษาศีลกันมาฝึกจิตกันตอนนั้นมันไม่ทันการ์นะเหมือนกับไปดูหนังสือก่อนจะเข้าห้องสอบนะไปทําการบ้านตอนก่อนจะเข้าห้องสอบทําไม่ทั น, นะต้องรีบทําล่วงหน้าไว้ก่อนไม่ใช่รอให้มีความแก้มีความเจ็บไข้ได้ป่วยหรือมีความตายมาเคาะที่ประตูบ้านเราถึงจะ ไปทําการบ้านกันตอนนั้นมันทําไม่ทันะตอนนั้นมันก็จะมีแต่สอบตกอใจก็จะตกต่ําใจก็จะซึมเศร้าใจก็จะหงุดหงิดนําคาญใจก็จะทุกข์จะทรมานใจดังนั้นเราต้องคอยเตือนใจอยู่เรื่อยๆถึงหน้าที่ที่แท้จริงของพวกเราะ หน้าที่อ ย, อย่างอื่นนี้เป็นหน้าที่รองเช่นหน้าที่เลี้ยงดูร่างกายใช่เราต้องเลี้ยงมันต้องให้ใหอาหารปัจจัยสี่มาให้มันหาอาหารหาเครื่องนุ่งห่มหายารักษาโรคหาที่อยู่อาศัยให้มันซึ่งพวกเราทุกคนก็หากันได้แล้วถ้าหาไม่ได้ก็มันก็จะอยู่มาไม่ได้จนถึงวันนี้ เรื่องปัจจัยสี่นี้เราก็พอที่จะดูแลร่างกายไปได้แต่เรานอกจากการดูแลร่างกายด้วยปัจจัยสีแล้วเราต้องมาเตรียมทํากันบ้านมาดูแลใจของพวกเราต่อไปอย่าเอาเวลาไปทําอย่างอื่นอย่าเอาเวลาไปหาเงินเพื่อให้ร่ําให้รวยให้เป็นเศรษฐี แล้วจะได้เอาเงินไปเที่ยวไปกินไปเล่นไปดูไปฟังไปซื้อของฟุ่มเฟือยซื้อของหรูหราอะไรต่างๆแลวันก่อนมีมัมีคนโพสในในเฟซเนี่ยมาเศรษฐีโอมานยังไงเนี่ยตายไหมมีภาพของทองคำเป็นแท่งๆนี้เต็มกองเต็มในห้องเลยมีรถโรสลส์รอยสีทองเคลือบด้วยทองมีเครื่องบินเคลือบด้วยทอง แต่ตัวเองนอนอยู่ในโรงพยาอกไปได้ไหมทำลายได้หรือเปล่าเราไปเสียเวลาหามันมาทาไมแล้วเวลาจะตายก็ไม่รู้ว่าจะรู้สึกอย่างไรเขาไม่มาเล่าให้ฟังเพราะเรื่องในใจของคนเหล่านี้ไม่มีใครรู้กันนอกจากใจของตนเองเท่านั้นที่จะรู้ว่าพอรู้พอหมอบอกว่ารักษาลรกไม่ได้แล้วนี่ตอนนั้นใจจะรู้สึกอย่างไร ไม่มีใครรู้แต่เราคงจะนึกสภาพนึกภาพออกถ้าเป็นเราเราจะนึกยังไงถ้าเราเป็นโรคแล้วหมอบอกว่ารักษาสุดแล้วทําไม่ได้แล้วไปเตรียมจองศาลาได้แล้วนั่นแหละอย่าไปเสียเวลานะการหาเงินหาทองให้ล่ําให้รวย <S <S เพื่อจะได้ใช้เงินทองซื้ออะไรต่างๆที่เราอยากจะซื้อกัน ใช้เงินทองพาเราไปไหนที่เราอยากจะไปกันต่อให้ไปท่องรอบโลกไปทุกประเทศที่มีอยู่ในโลกนี้ไปให้มันหมดเลยประเทศไหนที่ไม่เคยไปออกไปไปดูไปกินไปดื่ออาหารของประเทศนั้นไปอยู่บ้านของประเทศนั้นดูสิ่งเหล่านี้มันไม่มาช่วยเราเนี่ยตอนที่เวลาร่างกายมันแก่มันเจ็บมันตายมันไม่ช่วยอะไรเราเลย เราก็จะเคว้งคว้างไม่มีอะไรมาคอยอรักษาความสิมเศร้าของใจมารักษาความว้าเหวของใจมารักษาความหวาดกลัวของใจ เ, เวลาไม่สบายเขาก็ปล่อยเรานอนอยู่ในเตียงคนเดียวไม่ใครจะมาเฮฮาปาร์ตี้กับเรานะ่ะเฮฮาปาร์ตี้เราก็ไม่มีกระจิตกระใจที่จะเฮฮาปา์ตี้นะ ถ้าส่วนใหญ่เขาก็ต้องปล่อยให้เราอยู่คนเดียวไม่อยากจะรบกวนเพราะเขาอยู่กับเราเขาก็ทําอะไรไม่ได้อยู่นานๆเขาก็เบื่อเขาก็ต้องหนีไปทําอะไรของเขาเขาก็จะต้องปล่อยให้เราอยู่ตามลําพังไปเพราะเราอยู่ตามลําพังเราก็รู้สึกเหงารู้สึก ว, าว่าวเเห่ขึ้นมาถ้าเราไม่รู้จักทําใจให้สงบถ้าไม่รู้จักปล่อยวางเราก็จะหวาดกลัวเออ ปฏิวาวนอนก็ไม่หลับหลับก็ฝันร้ายฝันแต่เรื่องความตายเนี่ยนี่คือสิ่งที่เราควรจะทำกันตั้งแต่บัดนี้ตอนที่เรายังมีเวลาเพราะการทำใจนี้ไม่ต้องใช้เงินใช้ทองขอให้มีเวลามีสถานที่มีคนสั่งคนสอนมีครูบาอาจารย์เท่านั้นสิ่งที่สาคัญที่สุดก็คือเวลา อย่าเอาเวลาไปใช้กับเรื่องอื่นเถินยกเว้นเรื่องการเลี้ยงปากเลี้ยงท้องที่ทุกคนต้องทำกันแต่ทำให้มันน้อยที่สุดทำแบบมากน้อยสันโดษกินน้อยๆกินแค่วันละครั้งก็พอไม่ต้องไปกินมากร่างกายมันอยู่ได้ไม่ต้องไปกินวันละสามมือ 4, ม้อสี่มือ้อห้ามื้อเอาแค่วันละครั้งก็พอ อาบน้ำก็อาบวันละครั้งก็พอเสื้อผ้าก็ใส่วันละชุดก็พอไม่ต้องมีชุดนอนชุดอยู่บ้านชุดออกนอกบ้านชุดราตรีชุดอะไรเต็มไปหมดเราต้องมาคอยซักคอยเก็บเราต้องไปคอยไปซื้อไปเปลี่ยนเพราะใช้ชุดซ้ำๆแล้วเดี๋ยวมันดูแล้วมันเฉยต้องมีชุดใหม่ๆแปลก ๆ, ลกๆเวลาใส่ออกนอกบ้าน เดี๋ยวจะโดนคนเขาทักว่ามีแค่นี้เหรอมีช่วยมีแค่นี้เหรอก็ตอบไปแบบกูมีแค่นี้ก็เรื่องของกูไม่ใช่เรื่องของมึงเลยอย่าไปเสียเวลากับเรื่องราวเหล่านี้เพราะมันมาช่วยเราไม่ได้เวลาที่เราจะต้องเข้าห้องสอบกันห้องสอบนี้ เอาเรื่องเอาเงินเอาทองอะไรนี้ไปมันทำข้อสอบไม่ได้เนีข้อสอบของเรานี้ต้องเอาความสงบเอาสมถภาวนาและเอาวิปัสสนาภาวนานี่นี่แหละคืองานที่พวกเราควรที่จะรีบทำกันถ้าเราอยากจะทำข้อสอบให้ผ่านได้เราต้องมาหัดภาวนากัน การหัดภาวนาก็เป็นเหมือนกับการหัดทําอะไรต่างๆหัดกี่จั ก, กรยานหัดว่ายน้ำํำหัดเล่นเทนนิสหัดตีกอล์ฟเนี่ยมันก็ต้องมีเวลาใช้เวลาต้องไปฝึกกันต้องไปฝึกฝนกันต้องมีคนคอยสอนกันถ้าจะทําเองเดี๋ยวก็เรียนเองก็เรียนแบบผิดผิดถูกถูกก็อาจจะไม่ได้ผล แต่ถ้าไปเรียนแล้วมีคนสอนแล้วมีเวลาฝึกต่อไปก็เป็นมืออาชีพได้ไปแข่งขันรับรางวัลได้เนี่ยการภาวนาก็เหมือนกันการภาวนาก็มีเวลาแข่งขันแต่ไม่มีจัดเหมือนที่เขาจัดแข่งขันทางโลกทางกีฬานะเช่นซีเกมสโตรมปิกแต่มีการแข่งขันเหมือนกันแข่งขันของ ของงานภาวนานี้เป็นเวลาของแต่ละคนที่มันจะเกิดขึ้นมาเองถึงเวลามันจะมาเองถึงเวลาแข่งขันมันจะมาเองคือเวลาแกเวลาเจ็บเวลาตายนี่แหละเป็นเวลาที่เราจะไปแข่งขันกันว่าเร า, เ, าเก่งทางด้านสมถะภาวนาเก่งทางด้านวิปัสสนาภาวนาหรือไม่ถ้าเราเ สามารถที่จะทําให้ใจเราไม่เดือดร้อนกับความแก่กับความเจ็บกับความตายได้ก็แสดงว่าเราได้เหรียญทองะอนะภาวนาเราชนะแข่งขันเราได้รางวัลเหรียญทองได้รางวัลที่หนึ่งแต่ถ้าพอเราเจอความแก่ก็วุ่นวายใจขึ้นมาะ เจอผมขาวเส้นเดียวก็เริ่มวิตกึ้นมาเจอตีนกาก็เริ่มหงยใหญ่ละกังวลละแสดงว่าเรายังสอบไม่ผ่านต้องกลับไปทำการบ้านใหม่ต้องไปเรียนวิธีภาวนากันเรียนจากผู้รู้เหมือนกับเวลาเราจะไปตีกอล์ฟไปตีเทนนิสเรามักจะมีโค้ชกันให้โค้ชสอน วิธีตีกอล์ฟตีเทนนิสทำอย่างไรวิธีจับไม้จับอย่างไรวิธีหวดไม้หวดอย่างไรจะไปหวดเทนนิสกับหวดแบบกอล์ฟมันก็ไม่ได้มันคนละวิธีกันไม้ตีกอล์ฟกับไม้เทนนิสก็คนละอย่างกัน umer. จะหวดก็หวดไม่เหมือนกันลูกก็ไม่เหมือนกันลูกกอล์ฟกับลูกเทนนิสก็ไม่เหมือนกันสนามที่เล่นก็ไม่เหมือนกัน แต่ต้องมีโค้ชที่รู้เฉพาะกีฬาชนิดนั้ น, น, นสอนไม่ใช่เอาโค้ชตีเทนนิสมาสอนตีกอล์ฟเดี๋ยวก็ไม่ได้เรื่องเอาโค้ชตีกอล์ฟไปสอนเทนนิสก็ไม่ได้อันนี้ก็เหมือนกันถ้าอยากจะเรียนรู้วิธีภาวนาเนี่ยต้องไปเรียนกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เท่านั้นถึงจะได้โค้ชจริงถ้าไปเรียนกับพวกที่ยังไม่ได้บรรลุนี่ยังถือว่า ยังเป็นโค้ชไม่ได้พวกที่เพียงแต่เรียนตำราอย่างเดียวแต่ไม่ได้ออกปฏิบัติแล้วก็มาเป็นโค้ชเป็นครูสอนอย่าไปเรียนให้เสียเวลาต้องไปเรียนกับพวกที่เขาบรรลุบรบรลุธรรมพวกที่ได้ฌานได้สมาธิพวกที่ได้ปัญญามีดวงตาเห็นธรรม มีปัญญาที่จะรู้จักวิธีปล่อยวางร่างกายได้อย่างถูกต้องแม่นยำปล่อยวางได้อย่างสบายอย่างไม่มีเยื่อใยติดอยู่ในใจนะต้องเรียนรู้จากพระอริยสงฆ์สาวกหรือเรียนรู้จากพระธรรมคาสั่งคาสอนของพระพุทธเจ้าที่มีบันทึกไวในพระไตรปิฎกเท่านั้นนะแล้วเราถึงจะได้เรียนรู้วิธีที่ ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องแต่การเรียนรู้ด้วยตนเองจากหนังสือนี้ก็อาจจะไม่ได้ข้อมูลหรือแปลข้อมูลไม่ถูกตามความเป็นจริงก็ได้เนเพราะเราอา่านหนังสือแล้วเราก็อาจจะคิดไปเองแปลไปเองว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ขึ้นมาก็ได้ซึ่งความเป็นจริงมันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดก็ได้ ดังนั้นถ้ามีพระอริยสงสาวกให้เราเข้าหาได้ควรไปศึกษากับพระอริยสงสาวกแต่ก่อนไปก็ให้ศึกษาจากพระตไตรปิฎกไปก่อนเพื่อจะได้มีอะไรมาเปรียบเทียบกันเพราะพระที่เราคิดว่าเป็นพระอริยสงสาวกอาจจะไม่เป็นก็ได้เราจะรู้ ว่าท่านเป็นหรือไม่เป็นส่วนหนึ่งก็ดูว่าท่านสอนขัดกับคําสอนที่มีอยู่ในพระไตรปิฎกหรือไม่เช่นพระพุทธเจ้าสอนให้มีสัมมาสมาธิแล้วไปเรียนกับอาจารย์เขาไม่ต้องทําสมาธิสมาธิทําให้หลุดพ้นไม่ได้ต้องปัญญาอย่างเดียวเอไม่ต้องไปนั่งสมาธิให้เสียเวลานั่งสมาธิก็ไม่มีประโยชน์อะไรเอ ถ้าอย่างนี้มันแสดงว่ามันขัดกันแล้วถ้าเป็นพระอริยสงสารกเรารับประกันได้ว่าท่านไม่สอนอย่างนี้อย่างแน่นอนท่านจะต้องสอนว่าต้องมีทั้งสมาธิต้องมีทั้งปัญญาถึงจะสามารถที่จะปล่อยวางร่างกายได้มีสมาธิอย่างเดียวก็ปล่อยได้ชั่วคราวชั่วขณะที่จิตเข้าสมาธิ เวลาจิตเข้าสมาธิจิตจะปล่อยวางร่างกายชั่วขา่าวตอนนั้นร่างกายจะเจ็บไข้ได้ป่วยหรือจะตายนี้ใจไม่รู้เรื่อ ง, องไม่ได้รับรู้ใจจึงไม่เดือดร้อนกับความเป็นความตายของของร่างกายแต่ถ้าจะปล่อยได้ทุกขณะนี้ต้องปล่อยด้วยปัญญาและสมาธิควบคู่กัน ถ้ามีปัญญาอย่างเดียวปัญญาก็ไม่มีกำลังปล่อยกาลังปัญญามีกำลังสอนสอนให้ใจปล่อยบอกให้ปล่อยแต่ถ้าใจปล่อยไม่เป็นไม่มีสมาธิก็ปล่อยไม่เป็นต้องมีทั้งสมาธิมีทั้งปัญญาถึงจะปล่อยวางร่างกายได้ดังนั้นเวลาที่เราไปศึกษากับครูบาอาจารย์ต่างๆก่อนจะไปเราควรจะศึกษา คำสอนของพระพุทธเจ้าที่มีอยู่ในพระไตรปิฎกก่อนทำไมเราจึงไม่อาศัยแต่คำสอนที่มีอยู่ในพระไตรปิฎกแล้วนำมาไปปฏิบัติเพราะบางทีเราอาจจะไม่เข้าใจไม่เข้าใจว่าสมาสมาธิเป็นอย่างไร สมาธิมี ส, มสมัมมชชาสมาธิมีมิจฉาสมาธิด้วยเลยเราก็ต้องไปค้นหายกัน่าสมาธิแบบไหนเป็นสัมม า, สม า, ส, ม า, ส, มาสมาธิสมาสมาสมาธิแบบไหนเป็นมิจฉาสมาธิเเนบางทีมันก็ทําให้เราสรับสนได้ถ้าเราหาข้อมูลไม่เจอฉะนั้นขอให้เรารู้คร่าวๆรู้รู้รู้แบบกว้างๆว่าการ ฝึกสมาธิต้องฝึกอย่างไรการเจริญปัญญาต้องเจริญอย่างไรและการที่จะปล่อยวางร่างกายได้นี้จะต้องปล่อยวางด้วยอะไรด้วยสมาธิด้วยปัญญาหรืออย่างใดอย่างหนึ่งอันนี้เราตเรียนรู้ได้แต่วิธีการปฏิบัติเราอาจจะไม่รู้จักวิธีปฏิบัติได้อย่างละเอียดลออเราก็จะต้องพึ่งผู้ที่มีประสบะการณ์ผู้ที่ได้บรรลุ ผู้ที่ได้ปล่อยวางร่างกายได้แล้วไปศึกษาจากท่านให้ท่านช่วยสอนอีกทีว่าปล่อยวางร่างกายได้อย่างไรอันนี้ก็เหมือนกันแต่ถ้าไปศึกษาจากครูบาอาจารย์โดยที่เราไม่ได้ศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้ามาก่อนเราอาจจะไม่รู้ว่าครูบาอาจารย์นี้รู้จริงหรือ ร, ร, รู้ไม่จริงรู้ครบหรือรู้ไม่ครบก็ได้ ถ้าเป็นผู้ที่บรรลุแล้วนี่ท่านจะรู้จริงรู้ครบะแต่ผู้ที่ยังไม่บรรลุ น, นี้อาจจะรู้ไม่ครบอาจจะรู้แบบพวกอตาตาบอดคําช้างะเคยได้ยินนิทานแต่คนตาบอดคําช้างไหมมีคนตาบอดสี่คนหรือห้าคนเดินไปเจอตัวช้างกันะคนหนึ่งก็ไปจับที่หางแล้วบอกโอ้ยไอ้นี่มันช้างนี่มันเหมือนเชือกนี่ว่าะ เอกคนไปจับพวงเฮ้ยบอกไม่ใช่มันเหมือนงูเนะอ็กคนไปจับงาก็บอกเฮ้ยไม่ใช่นะเหมือ น, นเหมือ น, มนเหมือนหอกเหมือนปลายหอกนะแหลมคมเนะอกคนบอกไม่ใช่ไปจับท้องไปจับฝาผนังเหมือนฝาผนังเ มันก็ถูกทุกคน่ะแต่มันถูกคนละด้านคนเราส่วนมันไม่ถูกทุกทุกสัด ท, ทุกส่วนแล้วก็มานั่งเถียงกันปากเปียกปากฉีกของกูถูกของมึงผิดน ะ, ะพวกที่เป็นตาบอดก็มึงไปเรียนกับพวกตาบอด คนหนึ่งก็บอกไม่ต้องนั่งสมาธิปัญญาอย่างเดียวอีกคนบอกไม่ต้องปัญญานั่งสมาธิแล้วปัญญาเกิดขึ้นเองเ อ, อ้าวมีใช่ไหมเคยได้ยินไหมบอกเอานั่งสมาธิไปแต่เดี๋ยวจิตสงบแล้วปัญญามันเกิดขึ้นมาเองเอา้าวอันนี้ก็เป็นอีกทางอีกเรื่องหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งบอกไม่ต้องไปนั่งสมาธิใช้ปัญญาได้เลยมีปัญญาแล้วก็ปล่อยวางได้เลยมันก็เหมือนกับพวกตาบอดคำช้างอะ มันมันถูกคนละส่วนกันปัญญาก็ต้องมีสมาธิก็ต้องมีมันถึงจะปล่อยวางได้อย่างจริงใจจริงจังเดนี่คือสิ่งที่เราต้องเรียนรู้ก่อนที่เราจะไป เ, เรียนรู้กับครูบาอาจารย์ต่างๆเพื่อเราจะได้รู้ว่าท่านสอนตรงกับที่พระพุทธเจ้าทรงสอนหรือไม่ ถ้าขัดกันแป๊บนี้ให้เริ่มระแวงได้แะให้เริ่มสงสัยได้การระแวงสงสัยครูบาอาจารย์นี้ไม่เสียหายนะเพราะเราไม่รู้ว่าท่านเป็นครูบาอาจารย์ที่รู้จริงหรือไม่รู้จริงถ้าไม่ระแวงสงสัยเดี๋ยวว่ากลายเป็นองคคุลิมานได้นะเคยได้ยินเรื่ององค์คุลิมานไหมองคคุลิมานนี่เขารบครูบาอาจารย์เชื่อฟังครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์บอกให้ทําอะไรทําตามทุกอย่างะ ทีนี้ครูบาอาจารย์ไปเกิดมีความระแวงว่าองคุลิมานจะไปมีอะไรกับแฟนของครูบาอาจารย์เขาก็เลยอยากจะคิดกำจัดองคุลิมาก็เลยหลอกองคุลิมานให้ไปฆ่าคน หนึ่งพันคนถ้าอยากจะบรรลุถ้าอยากจะเป็นผู้วิเศษองค์เคลมานก็เซอร์ Sir, ครูบาอาจารย์บอกให้ไปฆ่าคนหนึ่งพันคนก็ไปทําตามเจตนาของคูบาอาจารย์ก็คือถ้าไปฆ่าคนแล้วจะได้ถูกเขาจับไปฆ่าอห้นี่ก็งโง่เชื่อให้ ไ, หไปฆ่าก็ไปฆ่าแล้วก็เก่งด้วยฆ่าได้ถึงเก้าร้อยเก้าสิบเก้าคน พอมาเจอคนสุดท้ายนี่แหมเจอของยากสินะเจอพระพุทธเจ้าพยายามวิ่งไล่ฆ่าแทบเป็นแทบตายก็วิ่งไม่ทันจนเหนื่อยหอบเป็นบอกว่าตะโกนไปบอกท่านหยุดเถิดผมตามท่านไม่ทันนะพระพุทธเจ้าก็หันกลับมาบอกเราหยุดแล้วเธอต่างหากที่ยังไม่หยุดเนี่ยองคุลิมาล ก, ก็เลยงงเนี่ยพูดหมายความว่าอย่างไงว่าหยุดแล้วถ้าหยุดแล้วทําไมเราวิ่งแล้วตามไม่ทันเนี่ย พระพทธเจ้าก็บอกว่าเราหยุดจากความโลภความโกรธความหลงนะ mm. เธอดังหากที่ยังไม่หยุดเธอยังอยากยังโลภอยู่ยังอยากบรรลุคุณวิเศษอยู่ยังอยากฆ่าคนอยู่ mm. คนที่จะสิ่งที่เราเธอจะต้องฆ่าถ้าเธออยากจะบรรลุธรรมวิเศษก็คือฆ่ากิเลสฆ่าความโลภความโกรธความหลงที่มีอยู่ในใจของคนในตอนนี้ฆ่ามันให้หมด พอหมดแล้วทีนี้คุณก็จะเป็นผู้วิเศษขึ้นมาเป็นผู้สิ้นกิเลสผู้สิ้นกิเลสก็คือพระอาหารหันตาสาวกของพระพุทธเจ้าหรือพระผู้หรือพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้สิ้นกิเลสเป็นผู้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงเป็นผู้ที่จะไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปเพอองค์คริมานฟังได้ก็เลย เปลี่ยนทิศทางใหม่เปลี่ยนเป้าใหม่แทนที่จะไปฆ่าพระพุทธเจ้าก็กลับมาฆ่ากิเลส ข, ของตนมาฆ่าด้วยอะไรก็ฆ่าด้วยส ม, มถะวิปัสสนาภาวนาที่พระพุทธเจ้าส่งสอนนั่นเองให้ไปภาวนาทําใจให้สงบใจสงบมีฐานสมาธิแล้วก็ไปพิจารณาทางปัญญาพิจารณาไตรักให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่าง เช่นร่างกายของเรานี้มันเป็นปรายลักมันไม่เที่ยงมันเกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายมันเป็นอำนาจตาเราไปเปลี่ยนมันไม่ได้ห้ามมันไม่ได้ไปหยุดมันไม่ได้หยุดความแก่ความเจ็บความตายไม่ได้มันเป็นเหมือนแบบขบวนการเป็นระบบที่มันจะต้องไหลไปตามระบบะ เกิดแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องไหลไปสู่ความแก่ไหลไปสู่ความเจ็บไหลไปสู่ความตายไม่มีใครที่จะมาหยุดมันได้เหมือนกระแสน้ำที่ไหลในแม่น้ำไม่มีใครที่จะไปหยุดกระแสน้ำหรือทำให้น้ำที่ไหลมานี้ไหลกลับขึ้นไปได้นี่คือปัญญาให้เห็นไตรลักษณ์เห็นอนัตต า, เ, าเห็นว่าร่างกายนี้เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติ ธรรมชาติคือการเกิดแก่เจ็บตายไม่มีใครไปเปลี่ยนธรรมชาตินี้ได้เมือม่อเมื่อรู้จะได้ไม่ไปเปลี่ยนไม่ไปพยายามไปอยากให้ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเพราะไปอยากแล้วมันจะทำให้เกิดความทุกข์ทรมานใจขึ้นมาเกิดความซุ่มซึมเศร้าขึ้นมาเกิดความเสียใจขึ้นมาถ้าไม่อยากแล้วปล่อยให้มันแก่ให้มันเจ็บให้มันตาย ใจจะโล่งใจจะเบาใจจะรู้สึกยกภูเขาออกจาก อ, อกเลยภูเขาก็คือร่างกายอนี้ที่แบกเอาไว้จะเบาจะสบายจะอยู่กับความแก่ความเจ็บความตายได้อย่างสบายอกสบายใจนี่คือสิ่งที่เราจะต้องศึกษาคือศึกษาวิธีที่จะทำใจของเรา ให้สงบให้ฉลาดเบื้องต้นก็ต้องศึกษาจากพระพุทธเจ้าหรือจากพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่มีบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกแล้วถ้าเรายังไม่เข้าใจยังไม่สามารถที่จะนำาอาไปปฏิบัติได้ให้ได้ผลติดตรงนั้นติดตรงนี้ก็ต้องไปหาผู้ที่ได้ปฏิบัติมาแล้วผู้ที่ได้หลุดพ้นมาแล้วผู้ที่ได้ปล่อยวางร่างกายมาแล้ว ไปศึกษากับท่านดูแล้วดูว่าวิธีท่านสอนสอนขัดกับที่พระพุทธเจ้าทรงสอนหรือไม่ถ้าขัดก็อย่าไปเชื่อถ้าขัดก็สแสดงว่าไ ม, ไม่ไม่มีทางที่จะสำเร็จถ้าบอกเอาสมาธิอย่างเดียวเดี๋ยวปัญญาเกิดขึ้นเองอันนี้ก็ไม่ใช่ถ้าไปเอาปัญญาไม่ต้องมีสมาธิก็ไม่ใช่บางสานักบอกให้นั่งสมาธิเพ่งไป เพ่งไปเรื่อยๆเดี๋ยวโสดาบันจะโผล่ขึ้นมาเดี๋ยวสกิดาคามีจะโผล่ขึ้นมาอามีนะเคยอ่านเจอเนะี่ยบางสำนักให้นั่งเพ่งดูแก้วดูอะไรไปแล้วเดี๋ยวโสดาบันก็จะโผล่ขึ้นมาสกิดาคามีก็จะโผล่ขึ้นมาอันนี้มันมันไม่รู้มาอามาจากไหนก็ไม่รู้เนะี่ยโสดาบันมันไม่โผล่มาจากสมาธิเนี่ยโสดาบันมันโผล่มาจากไตรลักษณ์ การมีดวงตาเห็นธรรมเห็นตายรักเห็นอนิจจทุกขังอนัตตาเห็นอริยสัจสี่โสดาบันสกิดาคาอนาคาอารหันมันถึงจะโผล่ขึ้นมาได้แต่จะให้มันโผล่จะให้เห็นตายรักได้ก็ต้องทําใจให้สงบก่อนทําใจให้ว่างถึงจะเห็นได้เห็นได้ชัดใจก็เปิดเหมือนแว่นเนี่ยแว่นถ้ามันยังมี อะไรมัวติดอยู่กับแว่นทําให้แว่นมันมัวมีค้าวอะไรต่างๆติดอยู่กับแว่นเวลาดูก็อาจจะมองไม่เห็นชัดเราจึงต้องเช็ดแว่นให้มันสะอาดพอแว่นสะอาดแล้วแม้แต่มดตัวเล็กๆก็เห็นชัดเยแต่ถ้าไม่มีเดี๋ยวอาจจะเห็นจุดที่ติดอยู่กับแว่นว่าเป็นมดก็ได้เออใจที่ยังไม่สงบนี้มันยังอมี กิเลสครอบงาอยู่กิเลสคือความหลงโดยเฉพาะความหลงความเห็นผิดเป็นชอบเนี่ยมันจะพาให้เราเห็นผิดเห็นเห็นสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยงเห็นสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าเป็นสุขเห็นสิ่งที่ไม่ใช่เป็นเราเป็นของเราเนี่ยถ้ามันมีโมหาวิชาครอบกงมใจอยู่มันจะทำให้ไม่สามารถมองเห็นตายลักได้ ไม่สามารถมองเห็นร่างกายว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาได้แต่พอเราทําใจให้สงบแล้วก็เหมือนกับเช็ดแว่นตาให้ใสพอแว่นตาใสแล้วทีนี้เราก็เอาตาเราไปดูไตรับ ก, กันดูร่างกายว่ามันเที่ยงหรือไม่เที่ยงดูร่างกายว่ามันทุกข์หรือมันสุขดูร่างกายว่ามันเป็นเราหรือเป็นเป็นตัวเราเป็นของเราหรือไม่ใช่เป็นตัวเราเป็นของเรา มันก็จะเห็นได้ด้วยปัญญาปัญญาก็ต้องวิเคราะห์มันไม่เที่ยงทำไมถึงไม่เที่ยงเพราะมันเปลี่ยนแปลงไงมันไม่เหมือนเดิมตั้งแต่มันออกมาจากท้องแม่นี้มันคอยมันเป็นเหมือนตอนที่มันออกมาจากท้องแม่อยู่ตลอดหรือเปล่ามันไม่เป็นใช่ไหมพอออกมาแล้วมันก็เริ่มเจริญเติบโตขึ้นมาแล้วลองถ่ายรูปไว้ดูสิใช่ไหมเราถ่ายรูปลูกเราตอนที่เกิดมา แล้วหนึ่งปีวันกายก็ถ่ายครั้งสองปีก็ถ่ายครั้งหนึ่งดูที่ร่างกายมันเหมือนกันไม่แต่ละปีไม่เหมือนเรียกว่ามันไม่เที่ยงมันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆต้องศึกษาต้องให้เห็นให้เข้าใจคำว่าไม่เที่ยงแปลว่าอย่างไรแล้วเดี๋ยวมันก็ไปถึงปีเจ็ดสิบปีแปดสิบ ปีเก้าสิบเนี่ยร่างกายอันเดียวกันที่เพิ่งที่ออกมาจากท้องแ ม, าใม่ใหม่ๆ๋ยวนี่มันกลายเป็นร่างกายของคนแก่ไปแล้วแล้วก็ไปถ่ายตอนที่เข้าโรงตอนที่เขาไปอาบน้ำศพนะตอนนั้นก็เที่ยงหรือไม่เที่ยงไปถ่ายตอนที่อยู่ในโรงพยาบาลตอนที่นอนอยู่บนเตียงนี่คือการศึกษาให้เห็นความไม่เที่ยงของร่างกาย ว่ามันจะต้องเปลี่ยนแปลงไปเราศึกษาว่ามันทาไมเป็นอนัตตาทำไมเราควบคุมบังคับไปไม่ได้ห้ามมันไม่ไ ด, ไได้ก็เพราะว่ามันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรานะนี่มันเป็นของธรรมชาติเป็นของดินน้ำลมไฟมันก็เลยต้องเป็นไปตามธรรมชาติของมันมพอเราเห็นอย่างนี้แล้วเราจะได้รู้ว่าการที่เราจะไปห้ามความแก่ความเจ็บความตายนี้ เป็นเหมือนกับการไปไปห้ามแม่พระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกเนี่ยห้ามไม่ได้เหมือนเป็นเรื่องของธรรมชาติอยู่เหนือวิสัยของพวกเราถ้าเราไปห้ามไปต่อสู้กับความจริงเราจะเหนื่อยเราจะทุกข์เราจะผิดหวังเราจะไม่ได้ดังใจที่เราต้องการแต่ถ้าเราปล่อยวางให้ธรรมชาติเขาเป็นไปตามเรื่องของเขาเราก็จะไม่เดือดร้อนเราก็จะไม่ทุกข์ เราก็จะสบายถ้าเราเห็นด้วยปัญญาว่ามันเป็นอนัตตามไม่ใช่ตัวเราเนี่ยพิจารนาร่างกายนี้ให้เห็นว่ามันเป็นเพียงดินน้ำนมไฟลองค้นเข้าไปในร่างกายดูตรงส่วนไหนเป็นเราบ้างผมเป็นเราหรือเปล่าขนเป็นเราหรือเปล่าเวลาตัดผมทิ้งไปเราหายไปกับผมหรือเปล่าเวลาถ อ, อนฟันไปเราหายไปกับฟันหรือเปล่า แม้แต่สมัยนี้เวลาเปลี่ยนหัวใจเปลี่ยนตับเปลี่ยนไตแล้วหายไปกับตับกับไตหรือเปล่าไอ้ตับไตของคนอื่นมาเข้าในท้องเรานี่มันมันมาเป็นเราขึ้นมาหรือเปล่าเราเป็นกลายเป็นคนนั้นขึ้นมาหรือเปล่าเช่นเราเอาตับของของนายกมาใส่ในท้องเรานี่เรากลายเป็นนายกรขึ้นมาหรือเปล่าเราก็ยังเป็นคนเดิมอยู่นั่นแหละ เพราะว่าเราไม่ได้อยู่ในร่างกายเราอยู่ที่ใจ เ, เราอยู่ที่ความคิดความรู้นี่คือใจนี่อยู่ที่ตรงนั้นไม่มีได้อยู่ในร่างกายเลยยิ่งเวลาร่างกายตายไปใจนี้ไม่ได้ตายไปกับ ai, ร่างกายแล้วใจไปเดือดร้อนทำไมเนี่ยอันนีนะ้ถ้าศึกษาพิจารณาแล้วเดี๋ยวมันก็จะได้ข้อสรุปว่าเออเราไม่ได้ตายกับร่างกายเราไม่ได้แก่ไม่ได้เจ็บไม่ได้เป็นอะไรไปกับร่างกาย แล้วเราไปทุกข์กับมันทําไมทุกข์เพราะความโง่ทุกข์เพราะความหลงนั่นเองทุกข์เพราะการไม่มีปัญญาพอเรามานั่งศึกษาพิจารณาด้วยเหตุด้วยผลเหมือนนักวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์เขาก็นั่งวิเคราะห์ทั้งด้วยเหตุด้วยผลเช่นทําไมผลไม้มันเถงร่วงลงมาทําไมมันไม่ลอยขึ้นไปอทําไมมันมันต้องร่วงลงมาของต่างๆที่มันอยู่ที่สูงทําไมมันจะ ตกลงมาที่ข้างล่างเขาก็คิดไปคิดมาเขาบอกต้องมีอะไรดึงมันลงมาเลยไม่มีอะไรผลักมันขึ้นไปเขาก็เลยสรุปว่าอ๋อโลกนี้มีแรงดึงดูดดึงให้ทุกอย่างที่อยู่ที่สูงให้ลงมาที่ต่ำ ก็เลยได้ค้นคว้าความรู้ว่าโลกนี้มีแรงดึงดูดก็เลยทำให้เขาเกิดความรู้ขึ้นมาว่าถ้าอยากจะให้ร่างกายของเราลอยขึ้นไปบนท้องฟ้าเราก็ต้องสร้างแรงผลักให้มันขึ้นมากกว่าแรงที่ โลกดูดหรลงมาเขาเลยคิดคิดใบพกใบพัดกันไหมหมุนกันแล้วมันก็ทําให้อ่าผักให้ร่างกายล อ, อยขึ้นไปได้เลยมีจรวดมีเครื่องบินอะไรตามมาเนี่เป็นเพราะการคิดด้วยเหตุด้วยผลถ้าเราคิดด้วยเหตุด้วยผลทางปัญญาเราก็จะมีโสดาบันเกิดขึ้นมามีสกิ ด, ดาคามีเกิดขึ้นมาเราจะพิจารณาว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นทุกข์เพราะเราไปยึดไปถือว่าเป็นเราเป็นของ เราไปยึดไปอยากให้มันเที่ยงไปอยากให้มันเหมือนเดิมพอมันไม่เป็นมันก็เลยทำให้เราทุกข์ถ้าเรารู้ว่าไม่สามารถทำให้มันเที่ยงได้ทำให้มันเป็นไปตามความต้องการของเราได้เราก็หยุดเฉยหยุดอยากเสียท่านั้นเองไม่ไปอยากให้มันเป็นพอเราไม่ไปอยากกับมันแล้วมันจะเป็นอะไรเราก็ไม่เดือดร้อนเราก็จะไม่ทุกข์ น, นี้ก็คือเรื่องของร่างกายที่เราจะต้องมาศึกษากันด้วยปัญญาว่ามันเป็นไตรลักษณ์อันนี้จังทุกขังวณตาก่อนจะศึกษาก็ต้องไปฝึกจิตทำจิตให้สงบก่อนเพื่อจิตจะได้เป็นเหมือนแว่นตาที่ใสพอสอนให้มันเห็นไตรลักษณ์มันก็จะเห็นไตรลักษณ์ถ้ามันไม่ใสไปสอนว่ามันเป็นไตรลักษณ์มันก็ไม่เชื่อมันก็ยังเห็นว่าเป็นตัวกูอยู่เนี่ยตอนนี้ใครๆก็ว่าร่างกายก็เป็นตัวกูอยู่เนี่ย เป็นตัวฉันตัวของผมตัวของหนูอยู่นี่เป็นตัวเราร่างกายมันไม่มันเที่ยงเห็นัหทุกวันมองห น, หน้ากระจกมันก็เหมือนเดิมไม่มันเปลี่ยนแปลงไปตรงไหนมันก็เลยทำให้เรามองไม่เห็นความจริงแต่พอเราไปนั่งสมาธิใจสงบแล้วเทนี้ไอ้ตัวที่มาขัดขวางความจริงมันก็จะหายไป พอเราดูความไม่เที่ยงเราก็ดูตั้งแต่ตอนที่เกิดมาจนถึงบัดนี้เป็นยังไงร่างกายของเราเหมือนเดิมั้ยมันเปลี่ยนมาทุกวันเพียงแต่มันเปลี่ยนชา้าถ้าเราดูทุกวันอาจจะไม่เห็นผลของการเปลี่ยนแปลงแต่ถ้าเราดูที่เราทุ ล, ทลปีเดี๋ยวนี้ก็มีกล้องถ่ายรูปให้ถ่ายเก็บเอาไว้ดูได้ปีนี้กับปีที่แล้วเหมือนกันไหมมันก็จะเริ่มเห็นความการเปลี่ยนแปลงขึ้นมา ถ้าเราก็จะได้ยอมรับความจริงแล้วก็ไม่ฝืนความจริงเราก็ปล่อยวางร่างกายให้เป็นไปตามความเป็นจริงของเขาพอเขาแก่เขาเจ็บเขาตายเราก็จะไม่ทุกข์ทรมานใจไม่วุ่นวายใจไม่เดือดร้อนใจเราก็จะสบายเราก็จะสอบผ่านได้รางวัลที่หนึ่งได้บรรลุเป็นพระโสดาบันขึ้นไป นี่เป็นการปล่อยวางขั้นแรกยังมีอย่างอื่นที่เรายังติดอยู่ที่ยังต้องปล่อยต่อไปแต่วันนี้เวลาก็หมดพอดีก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พรยาทาวาริวาปุราปาริรปุเรนติสาขลัง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 จันโทปนาราโสยถามณีชติอาราโสยถาสัพีติโยวิวาจันโตสัพโรโควินาศตตมาเตภวะตวันตารโยสุขีทีกายุโกภวะ ภาพิวาทานสีิตธานิจังวุธาปจายโนจตารโธรมมวาทานติอายุวันโอสุขังภาลางช่วงต่อไป น, นี้เป็นช่วงถามคำถาม <c oughs> ใครมีคำถามอะไรอยากจะถามเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยช่วงเดียวหลังจากเลิกแล้วก็จะของดเพราะจะต้องทาภารกิจอย่างอื่นต่อถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาวันนี้ผู้ติดตามทางบ้านมีเท่าไหร่ วันนี้ทางเฟ e บุ o กเข้ามา421ย t u b บ3 4 21, YouTube, 7วิทยออนไลน์27รับฟังข้างบนนี้53คนรวมทั้งหมด8 4 8ครับ hmm. uh, ถ้ามีคำถามก็เชิญถามได้เลย if, if you have any question in English you're welcome to come and ask We have microphone for you to ask ถามไปก่อนนะคำถามจากคุณนกนั่งสมาธิเจริญภาวนาไปเรื่อยๆจะเกิดอาการคล้ายกับตกวูบหล่นไปเหมือนตกจากที่สูงจิตจะรู้สึกเงียบสงบแต่ก็ยังรู้สึกถึงลมหายใจที่เข้าออกอยู่อาการเช่นนี้คืออะไรครับก็สงบบางส่วนนะ ย, ยังไม่สงบเต็มที่ก็ทำต่อไปดูลมต่อไปถ้ายังดูลมได้ก็ดูลมไปอย่าหยุด ถ้าอยากจะไปให้มันสงบอย่างเต็มที่ยังเดินทางไม่ถึงจุดหมายปลายทางยังต้องเดินทางต่อไปต้องภาวนาต่อไปคำถามจากคุณทิติการโยมตื่นมาก็เป็นขาขวาอมาพาธพยายามทำที่พระอาจารย์สอนบางวันไม่ทุกบางวันก็ทุกมากเพราะใจไม่ยอมรับโยมควรทำอย่างไรเจ้าคะ ทำสมาธิสมถะให้มากขึ้นหรือเปล่าคะทั้งสองอย่างเาสลับกันทำสมาธิออกจากสมาธิมาก็สอนใจว่าร่างกายมันเป็นอย่างนี้เป็นอนัตตาเราไปควบคุมบังคับมันไม่ได้ทำได้บางส่วนบางเวลาแต่พอถึงเวลาจริงๆแล้วมันจะเอาเรื่องของมันเราก็ไปขัดมันไม่ได้อถ้ายังเยอะไม่ยอมรับก็กลับเข้าไปทำสมาธิใหม่ ถ้าจิตสงบมากขึ้นเท่าไหร่มันก็จะเริ่มยอมรับมากขึ้นไปตามลำดับเดี๋ยวมันก็พอจิตสงบเต็มที่แล้วมันก็จะเฉยกับเรื่องราวของร่างกายได้อยู่กับมันไปจนกว่าจะจากกันแต่ไม่ทุกข์กับมันถ้ามีสมาธิมีปัญญาปัญญาคอยห้ามใจไม่ให้ไปอยากสมาธิเป็นตัวที่ทำตามคำสั่งของปัญญา คือไม่ให้อยากสมาธิก็จะทาใจให้เฉยๆคำถามจากคุณนกครับนั่งสมาธิเจริญภาวนาได้ใช้การดูลมหายใจเข้าออกจนสงบเป็นสมาธิแล้วเราควรคงความสงบไว้โดยไม่นึกถึงอะไรหรือเราควรนึกถึงการตายหรือกฎของตายหลักครับ เ, ออเวลาสงบไม่ให้นึกถึงอะไร ท่านนึกยองแสดงว่ายังไม่สงบถ้าสงบจริงๆแล้วมันไม่นึกมันไม่คิดนะมันจะสักแต่ว่ารู้เฉยๆมันจะมีความสุขมากมันจะเป็นกลางจะมีโอเบคาไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงพอถึงจุดนั้นแล้วมันไม่คิดไม่นึกเองแล้วเราอย่าไปบังคับให้มันนึกให้มันคิดถ้ามันจะคิดเราควรจะหยุดมันนะโดยสติสั่งมันหยุด ให้รู้เฉยๆไปนานๆจนกว่ามันจะออกมาถ้าอยากจะกลับเข้าไปใหม่ก็ใช้สติดันเข้าไปใหม่ใช้พุโทโธหรือใช้ลมแล้วแต่วิธีที่เราใช้คำถามจากคุณสุได้นั่ง วิปัสนาเมื่อคืนแล้วมีอาการเหมือนมีแสงสีขาวเกิดขึ้นอยู่สามรอบเหมือนจะเกิดขึ้นที่หน้าผากเจ้าค่ะรู้สึกเหมือนหน้าผากมีอาการอุ่นๆแบบนี้เรียกว่าอะไรเจ้าค้าและควรปฏิบัติอย่างไรครับเ อ, อมันเป็นของแถมนะอย่าไปสนใจเนียเราไปเติมน้ํามันเราไม่ไปสนใจกับของแถมเราไปเอาน้ํามันเนี่ยเป็นนั่งสมาธิเราไปเอาความสงบ เราไม่ไปนสนใจกับของแถมถ้ายังไม่ได้ความสงบก็ภาวนาต่อไปอย่าหยุดและอย่าไปติดอยู่กับแสงสีเสียงอะไรต่างๆที่ปรากฏขึ้นมาอย่าไปนสนใจให้ภาวนาต่อไปคำถามจากคุณสุปราณีลูกภาวนาโดยกำหนดสมาธิอยู่กับคำบริกรรมแบบนี้ถือว่าผิดไหมครับไม่ผิดหรอถ้ามีภาวนาต้องมี อย่างใดอย่างหนึ่งคอยมัดใจเอาไว้พุโทโธก็ได้ดูลมหายใจเขาออกก็ได้คำถามจากคุณจินคอฟคำตายคืออะไรครับกายและใจแยกจากกันใช่ไหมครับตายก็ไม่หายใจี่คอบ ไปดูคนที่มาหายใจถามว่าคุณตายแล้วอย่าง <laughs> คำถามจากคุณพิทักษ์มีเหตุการณ์ในชีวิตที่ช่วงหนึ่งได้มีโอกาสรักษาศีลแปดและภาวนาที่วัดขณะนั้นได้ปฏิบัติและเปิดฟังเทศขององค์หลวงตามหาบัวโดยใช้ยึดใช้สติให้จดจ่ออยู่กับเสียงที่ท่านเทศในขณะนั้นเพียงอย่างเดียว ท่านเทศเรื่องขั้นตอนปฏิบัติตั้งแต่เริ่มแรกไปจนถึงขั้นสุดท้ายสิ่งที่ปรากฏขึ้นกับจิตใจคือสามารถที่จะเข้าใจในสิ่งที่ท่านเทศในขณะนั้นได้ว่าขั้นต้นทําอย่างไรลําดับต่อไปปฏิบัติเช่นไรเหมือนที่ท่านได้ให้แผนที่ให้เราเดินตามการที่เราสามารถเข้าใจถึงสิ่งที่ท่านเทศเช่นนี้เรียกได้ว่าเป็นดวงตาเห็นธรรมหรือไม่ครับเห็นทางเดินไง แต่ยังไม่เห็นผลที่จะจะอยู่ปลายทางต้องเริ่มออกเดินทางท่านบอกให้ทาบุญสละทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองก็ยกให้คนอื่นไปให้หมดแล้วก็ไปบวชแล้วก็ไปเจริญศีลสมาธิปัญญาตามลำดับต่อไปแล้วเดี๋ยวก็จะถึงปลายทางไปเห็นมีเห็นธรรมที่เราต้องการจะเห็นตอนนี้เราเห็นแต่มักทางเดินทางสู่ไปสู่ สู่ธรรมที่อยู่รอเราอยู่ปลายทางก็คืออริยธรรมนั่นเองโสดาปติมาโสดาปติผลโอนาคาเมสกิดาคามีอรหัตผ ล, ผ ล, ผลนี่นีแหละคือดวงตาเห็นธรรมเห็นธรรมขั้นต่างๆเห็นใจรักเห็นอนิจจทุกขังอนัตตาเห็นอริยสัจสีที่ปรากฏขึ้นในระดับต่างๆกันหมดแล้ว ดังนั้นการฟังเทศฟังธรรมแล้วเข้าใจอย่าไปคิดว่าบรรลุธรรมแล้วบางคนคิดว่าเราบรรลุแล้วเราเข้าใจแล้วเข้าใจแผนที่แต่ยังไม่ได้เดินทางเออคนดูแผนที่ว่ากูรู้แล้วไปที่นี่ไปยังไงแต่ยังไม่ออกเดินทางมันจะไปไม่ถึงมไหมไม่ถึงก็ไปถึงแค่แผนที่เอานิ้วจิ้มเาตรงนี้ปลายทางอยู่ตรงนี้เอ ต้นทางอยู่ตรงนี้ปลายทางอยู่ตรงนี้แต่มันอยู่ในแผนที่มันไม่ได้อยู่ที่พื้นดินอยู่ที่ของจริงอยู่ที่ของจริงเราต้องออกเดินทางขับรถไปเดินไปขี่จักรยานไปเร็ววิธีไหนก็ได้ถ้าเราบ อ, อกเดินทางแล้วเดี๋ยวมันถ้าไม่หยุดเดี๋ยวมันก็ถึงเองช้าหรือเร็วก็อยู่ รถที่เราใช้บางคนขี่จักรยานบางคนเดินบางคนมอเตอร์ไซค์บางคนรถเกง๋งบางคนรถบัสเนี่ยมันก็ไปช้าเร็วต่างกันแต่ถ้าไปแล้วไม่หยุดเดี๋ยวก็ถึงที่เดียวกันนะคาถามจากคุณหญิงนั่งสวดมนต์และทําสมาธิบ่อยครั้งที่สวดมนต์ทำสมาธิแล้วนอนไม่หลับในตอนนั้นเห็นความคิด ความรู้สึกชัดขึ้นเห็นความคิดไหลเข้ามาตลอดเจ้าค่ะทำให้นอนไม่หลับควรทำอย่างไรดีเจ้าค่ะเพราะบางครั้งวันรุ่งขึ้นจะรู้สึกเหนื่อยครับก็ดูลมไปอย่าไปดูความคิดดูลมหายใจเข้าออกแทนหายใจเข้าก็รู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกก็รู้ว่าหายใจออกไปไม่ต้องไปสนใจกับความคิดแล้วก็อย่าไปอยากให้มันหลับนะยิ่งอยากมันยิ่งไม่หลับนะ น้องไม่รู้ไม่ที่หลับไม่หลับไม่สนใจกูขอดูลมไปเรื่อยๆไปถ้าเดี๋ยวมันก็หลับถ้าดูลมแล้วถ้าอยากให้มันหลับเดี๋ยวมันจะเอ๊ะดูลมแล้วไม่หลับสักทียิ่งเครียดใหญ่ยิ่งไม่หลับใหญ่อย่าไปอยากให้หลับถ้ามันไม่หลับก็ให้มันอยู่กับลมหายใจไป จนกว่ามันจะหมดแรงเดี๋ยวมันก็หลับไปแต่ถ้าอยากแล้วตอนเช้านอนไปถึงตอนเช้ามันก็ยังไม่หลับความอยากมันจะดึงใจให้ไม่เข้าไม่ให้หลับเนาะอย่าไปอยากให้มันหลับแต่ต้องดูลมหรือพุทโธไปแล้วมันจะหลับไม่หลับก็เรื่องของมันไปไม่ต้องไปสนใจถ้าเราอยู่กับลมแล้วอยู่กับพุทโธแล้วไม่ไปอยากให้มันหลับเดี๋ยวมันหลับเอง เชิญเข้ามามีคำถามก็เข้ามาทาไมโกครโฟนไปคือหนูมีความคำถามว่าเวลาหนูกเกิดอคติต่อสิ่งแวดล้อมเคยว่าสิ่งรอบตัวอย่างเงี้ยหนูจะมีการมันเกิดได้มันก็ดับได้มันเกิดขึ้นมาเราก็หยุดมันสิพอมันคิดเราก็ดึงไปคิดเรื่องอื่นแทน พอมันจะคิดอาคติก็พุทโธพุทโธไปสวดมนต์ไปมันก็คิดอคติไม่ได้แะถ้ามันเราก็พุทโธเราไปเรื่อยๆพอเราหยุดพุทโธถ้ามันไม่คิดเราก็ไม่ต้องพุทโธถ้ามันเริ่มคิดใหม่ก็พุทโธใหม่มันไม่เป็นการกดนอ่าเหมือนกเราเขียนอะไรไว้บนกระดานถ้าเราอยากจะลบมันเราก็ใช้ยางลบลบมันไปเลยลบมันไปแล้วเดี๋ยวมันเขียนใหม่เราก็ลบใหม่ <Okay. S 2> ความคิดก็เหมือนกับไอ้ตัวอักษรที่เราเขียนบนกระดานดํำนี่ <Okay. S 2> พอเราใช้พุโทโธเราก็เหมือนเราก็ไปลบอ้ความไอ้ใอ้ความคิดนั้นออกไป mm hmm. เป็นเพีการลบมันเงี้ยไม่ได้ไปกดมัน mm hmm. มันเขียนได้เราก็ลบได้เข้าใจไหมเมื่อยากจะเขียนกูก็ูก็กจะตามลบอย่างเงี้ยเออเข้าใจั้มต่อไปใจก็จะว่างเหมือนเหมือนกับกระดานดําที่ไม่มีตัวหนังสืออยู่บนกระดานดำเพราะเราคอยลบอยู่เรื่อยๆ พุโทโธนี้เป็นเหมือนอย่างลบลบความคิดต่างๆได้อาคติเนี่ยพอคิดไม่ดีก็พุโทโธพุโทโธไปพอเราอยู่พุโทโธดูเสี้ยมันดาคิดอีกก็เปล่าถ้าคิดก็พุโทโธอกีกดูกันไปอย่างเงี้ยเดี๋ยวในที่สุดมันก็ไม่คิดเองเพราะคิดแล้วก็ถูกลบคิดแล้วก็ถูกลบมันไปไหนไม่ได้มันต่อไปต่อไม่ได้ ที่มันไปต่อได้เพราะผ่หยมันคิดแล้วมันก็มีเรื่องคิดตามไปด้ว่อยแต่พอมันเริ่มคิดปป๊บแล้วก็พูดโทษลบมันไปลบมันไปมันก็คิดต่อไปไม่ได้นะง่ายๆของ่ายๆ พุโทโธเป็นเหมือนอย่างลบนะความคิดของเราเป็นเหมือนตัวช็อปที่เขียนบนกระดานดำนะน เ, น, เนีพอมันเขียนแล้วก็ลบมันพอมันเขียนแล้วก็ลบมันไปมือซ้ายมือขวาเขียนมือซ้ายลบมือขวาเขียนมือซ้ายลบไ ป, อปอลองดูเลยลองดูลับประกรันได้ว่าหายไปหมดถ้าไม่หยุดพุดโทโธนะถ้าพุโทโธสองคำแล้วก็หยุดปล่อยให้มันคิดมันก็ไม่หายนะ คำถามจากผู้ไม่ประสองค์ออกนามเวลาภาวนาและเกิดเวทนาเกิดขึ้นร่างกายสามารถอดทนได้แค่ช่วงหนึ่งครับพอหมดความอดทนแล้วเปลี่ยนอริยบทแบบนี้ถือว่าผิดไหมครับร่างกายมันไม่รู้มันเจ็บหรอกมันไม่มีความอดทนในร่างกายตัวอดทนก็คือตัวจิตเราเนี่ยที่ไปอดไปทนกับความเจ็บมันหมดแรงเพราะมันหมดสติหมดกาลัง เราก็ต้องเพิ่มกําล ko ังเหมือนรถถ้ามันน้ํามันหมดเราก็ต้องเติมน้ํามันใช่ไหมเครื่องปั่นไฟพอน้ําไฟพอน้ํามันในเครื่องปั่นไฟมันหมดมันก็มันก็หยุดแต่ถ้าอยากจะให้มันปั่นไฟต่อเราก็ต้องเติมน้ํามันอยู่เรื่อยๆอันนี้ก็เหมือนกันถ้าอยากจะให้จิตนิ่งสงบเฉยกับความเจ็บป่วยของร่างกายได้ก็ต้องพุทโธใหม่พอมันหมดกําลังที่จะอยู่กับความเจ็บเราก็ใช้พุทโธใหม่ พุโทโธนี่ดีหลายอย่างใช้ลบความคิดก็ได้ใช้สร้างสติให้อยู่กับความเจ็บปวดของร่างกายก็ได้คำถามจากคุณลุกหมีการนั่งสมาธิสามารถสวดพุทธคุณไปเรื่อยๆได้หรือไม่ครับถ้าในเบื้องต้นถ้าเราดูลมไม่ได้พุโทโธไม่ได้ก็สวดไปก่อนก็ได้การสวดก็เป็นการทำสมาธิแบบหยาบๆแต่ไม่ไม่สงบมาก เท่ากับการดูลมนึกกับการพุทโธแต่เบื้องต้นถ้าจิตเราหยาบจิตเราฟุง้งจิตเราคิดมากมันไม่ยอมอยู่กับลมไม่ยอมพุทโธเราก็สวดมนต์ไปก่อนเพื่อเพื่อลดความหยาบความฟุ้งของใจลงพอใจมันเริ่มละเอียดมันเริ่มคิดน้อยแล้วเราก็ค่อยดูลมหรือพุทโธทต่อไปได้ คำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามขอธรรมะที่จะเข้ามาช่วยให้เลิกสูบบุหรี่ครับก็อย่าไปอยู่ใกล้บุหรี่นะอย่าไปอยู่ที่มีบุหรี่ไปอยู่ที่คนเขาไม่สูบบุหรี่กันไม่มีบุหรี่ขายทีนี้ถ้าไม่มีบุหรี่แล้วทีนี้มันก็เหลืออย่างเดียวก็คือใจของเราจะจะสู้กับมันยิ่สู้กับความอยากสูบได้หรือไม่ ถ้าอยู่ใกล้บุหรี่มันจะง่ายต่อการที่จะไปหยิบบุหรี่มาสูบแต่พออยู่ในที่ไม่มีบุหรี่มาสูบใจมันก็จะดิ้นไปหาบุหรี่นี่ก็อยู่ที่ว่าเราสามารถดึงใจไม่ให้มันออกไปหาบุหรี่ได้หรือไม่ก็วิธีที่จะทําให้ใจหยุดหาบุหรี่ได้ก็คือเวลามันอยากก็พุโทโธพุโทโธไปสวดมวนต์ไปเดินจงกรมไปอยู่กับพุโทโธอยู่กับบทสวดมวนต์ไป ความอยากมันก็จะอ่อนลงอ่อนลงไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวต่อไปมันก็หายอยากได้แต่เื้องต้นต้องอยู่ห่างไกลจากบุหรี่ก่อนถ้าอยู่ใกล้แล้วมันยากพออยู่ใกล้ปป๊บเดี๋ยวมันเดินก็หายเองแต่ถ้ามันอยู่ไกลจะสูบบุหรี่ต้องเดินสิบกิโลนี่มัอาจจะคิดก่อนคุ้มึงหรือเปล่า <laughs> มันก็ก็อาจจะไม่ไปเน ต้องเบื้องต้นต้องพยามไปอยู่ที่ไม่มีบุหรี่ให้เราสูบแล้วพอไม่มีแล้วขั้นที่สองก็ต้องมาหยุดความอยากด้วยการใช้พุทโธพุทโธแล้วใช้ปัญญาให้ใหเห็นโทษว่าอาการติดบุหรี่เป็นอย่างนี้แล้วพอไม่มีสูบแล้วมันนทรมานแต่ถ้าเราเลิกได้แล้วต่อไปเราจะสบายให้เห็นคุณเห็นโทษของการสูบและการไม่สูบบุหรี่แล้วก็ใช้พุทโธคอยหยุดความอยากไปเรื่อยๆ แเดี๋ยวพอพอเราทําได้ไปเรื่อยๆความอยากมันก็จะอ่อนกําลังลงแล้วเดี๋ยวมันอยู่ดีๆมันก็จะหยุดไปพอหยุดไปเราก็จะให้เบาขึ้นมาสบายขึ้นมาทันทีคําถามจากคุณปัดสามารถจัดห้องพระหันหน้าไปทางห้องน้ําและทิศตะวันตกได้ไหมครับนนั้ไม่ทางไหนก็ได้ทั้งนั้นอยู่ที่ว่าเอา ชาวบ้านก็จะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยวนั้นเองแตความจริงพระท่านไม่สนใจละพระพุทธรูปจะ ห, หันหน้าไปทางไหนท่านก็ไปได้ทุกทางเอาไปตั้งในห้องส้วมท่านก็ยังไปเออพหลังเอาไปตั้งในห้องส้วมกันะงั้นพระท่านไม่ท่านไม่รู้เรื่องเหรอท่านอยู่หันหน้าไปทางไหนการมีพระพุทธรูปนี้มีไว้เพื่อให้เราได้กราบไหว้ ให้ดาวได้เราดึกถึงพระพุทธพระคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพื่อที่เราจะได้ศึกษาได้ปฏิบัติเท่านั้นเองจะอยู่ตรงไหนก็ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมเหมือนกับเราจัดบ้านเราก็ต้องมีที่ที่เหมาะสมห้องนอนก็อยู่ห้องหนึ่งห้องครัวก็อยู่ห้องหนึ่งไม่ใช่ห้องนอนไปอยู่กับห้องครัวใช่ไหมห้องพระก็ต้องมาอีกห้องหนึ่งก็แล้วกันแต่ถ้าเราให้ความสําคัญกับพระพระนี่ก็เป็นของที่เราเคารพบูชานช่ เราก็ต้องควรจะจัดให้มันสมพระเกียรติของพระเท่านั้นเองจะสมอย่างไรก็แล้วแต่ไม่มีตำไม่มีตาราตายตัวว่าจะต้องหันหน้าพระไปทางทิศเหนือทิศตะวันตกทิศใต้ทิศอะไรอันนี้ไม่มีตำตาราตายตัวเอาเอาดูความเหมาะสมก็แล้วกันดูแล้วมันไม่ดูแล้วมันไม่รู้สึกว่าลบดูหรือว่าไม่ให้เกียิก็แล้วกันหมดแล้วนะ โอเคถ้าไม่มีอะไรก็ เ, เรื่องของพระต่อนี้หน่อยถ้าอยากจะมีพระจริงๆเอาพระในใจดีกว่าไม่มีปัญหาอาอยู่ที่ไหนก็ได้เอาพุโทโธนี่นะท่องพุโทโธไปภายในใจนี่ดีกว่ามีพระพุทธ ร, รูปตั้งอยู่ในบ้านามีพระติดกับเราไปเลยพอมีพุโทโธแล้วมีพุโทโธคุ้มครองจิตใจของเราจิตใจของเราจะสบายจะสุขจะไม่ทุกข์ พระภายนอกสู้พระภายในไม่ได้ฉะนั้นพยายามเอาพระสร้างพระภายในดีกว่าโดยการระลึกถึงพระพุทธเจ้าพุทธโธพุทธโธไปแล้วระลึกได้ทุกแห่งทุกคนเลยไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนในห้องน้ําก็ระลึกได้ไม่ไม่ไม่เสียหายไม่ถือว่าไม่เคารพแต่อย่างใดการมีพระพุทธมีพุทธโธอยู่ในใจนี้ถือว่าเป็นการบูชาพระพุทธเจ้าแล้วเป็นปฏิบัติ บ, บูชาแล้ว เห็นปฏิบัติได้ทุกสถานที่ทุกเวลา ม, มีอีกไหมเชิญคำถามจากคุณแจ็คบางครั้งมีความรู้สึกไม่อยากเกิดแต่บางครั้งยังอยากเกิดมาเพื่อสร้างบา ร, รมีเป็นพระพธิสัตว์แต่ไม่ทราบว่าจริงๆแล้วจะพิจารณาอย่างไรดีครับว่าตัวเองปรารถนาอะไรมาครับ ก็ความคิดมันก็อย่างนี้มันก็หลอกเราเบื่อเบื่ออยากอยากถามมันดีสี่วันไข้ก็ต้องคิดด้วยเหตุด้วยผลว่าระหว่างอยู่ในกองไฟกับอยู่นอกกองไฟอันไหนจะดีกว่ากันถ้าเกิดก็เหมือนก็ติดอยู่ในกองไฟถ้าไม่อยากจะติดอยู่ในกองไฟก็ต้องออกจากกองไฟก็ต้องไปปฏิบัติธรรมเพื่อให้ใจออกจากกองทุกข์ของการเกิดแก่เจ็บตายของการเวียนว่ายตายเกิด แต่ถ้าอยากจะไปสร้างบา ร, รมีในกองไฟก็ไม่มีใครว่าเลยก็สร้างไปกลับมาเกิดแก่เจ็บตายมาสร้างบา ร, รมีไปเรื่อยๆแล้ววันหนึ่งก็อาจจะมีบา ร, รมีพอที่จะดีดใจให้ออกจากกองไฟไปหรือจะออกจากกา ทำตามคำสอนของพระุทธเจ้าที่มีอยู่ตั้งแต่เดี๋ยวนี้และสามารถเอาได้ตั้งแต่บัดนี้ก็มีทางเลือกสองทางจะอยู่ในกองไฟต่อไปเพื่อสร้างบา ร, รมีก็ได้หรือจะออกไปปฏิบัติธรรมเพื่อออกจากกองไฟไปก็ได้แล้วแต่มีทางเลือกอยู่สองทางหมดแล้วเนี่ยทำหมดแล้วก็คิดว่าเอาแค่นี้ก่อน